พุทธธรรมจะบับหับขยายชีวิตควรให้เป็นอย่างไรบทที่9หลักการสำคัญของการบรรลุนิพพานมักมีการสงสัยหรือถกเถียงกันในหมู่ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมว่าผู้เจริญวิปัสสนาอย่างเดียวจะบรรลุนิพพานหรือสำเร็จอรหัตผลโดยไม่อาศัยสมถะเลยได้หรือไม่ ผู้บรรลุนิพพานจะต้องได้ฌานบ้างหรือไม่การสำเร็จอภิญญาหกอาศัยแต่เพียงจตุทถาฌานก็เพียงพอไม่ต้องได้ครบสมาบัติปดคือไม่ต้องได้อรูปฌานด้วยใช่หรือไม่การจะได้อสวะคขยะยานคือยานที่สิ้นอสวะบรรลุนิพพานจาเป็นต้องได้ปุเพนิวาสานุสติยานคือยานที่ระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในก่อน และจุตูปปาทยานยานย่างรู้การที่มูสัตว์จุติและอุปัติไปตามกรรมเป็นพื้นฐานก่อนหรือไม่ในฌานบำเพ็ญวิปัสสนาได้หรือว่าต้องออกจากฌานก่อนจึงพิจารณาสังขารได้ได้มรรคผลก่อนแล้วจึงเจริญสมถะเพิ่มเติมจนได้ฌานสมาบัติได้หรือไม่ บรรดาคำถามเหล่านี้บางข้อเป็นเรื่องของหลักการสำคัญของการต ร, รัสรู้หรือการประจักษ์แจ้งนิพพานโดยตรงบางข้อเพียงเกี่ยวพันบางแง่บางข้อได้ตอบไปแล้วบางส่วนเฉพาะอย่างยิ่งข้อที่ว่าจเจริญวิปัสสนาอย่างเดียวโดยไม่อาศัยสมถะเลยได้หรือไม่ได้ตอบแล้วในตอนที่ว่าด้วยสมถะและวิปัสสนาข้างต้น ต่อไปนี้จะมุ่งตอบข้อสงสัยที่เกี่ยวกับหลักการสำคัญของการตรัสรู้เป็นหลักและจะตอบด้วยยกหลักฐานมาให้พิจารณาเองจะอธิบายเท่าที่จำเป็นเพียงเพื่อเชื่อมความให้ต่อเนื่องกัน